อย่างสมัยก่อนก็บอกว่าทำไมพระพุทธเจ้าต้องเสดจาริกพุทธดำเนินเนี่ยนะรอบอินเดียเนี่ยทุกปี44ปีเนี่ยนะปีเนี่ยพุทธดำเนินอยู่ตลอดเลยเพื่ออะไรก็บอกว่าเพราะคนตาบอดจะได้จะได้ฟังธรรมคนหูอ่ขอคนตาบอดจะได้ฟังธรรมคนหูหนวกจะได้เห็นพระพุทธรูปจะได้เห็นพระรูปอัะนะคนไม่สบายจะได้ทั้งเห็นทั้งฟังธรรม คนที่มีทรัพย์น้อยไม่สามารถจะหอบหิ้วสเสบียงไปไปทำบุญตามที่ต่างๆได้เขาก็จะได้ทำบุญคนไม่มีอะไรเลยก็ได้มีมือเนี่ยกราบได้มีมือไหว้เขาก็จะได้อ่าทำบุญจะเป็นบุญเป็นวาสนาให้เขาได้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตพัน เพราะพระกรุณาของพระองค์เนี่ยจึงเป็นกรุณาที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้ประโยชน์โลกนี้ให้ประโยชน์โลกหน้าและให้ประโยชน์อย่างยิ่งให้อย่างเต็มที่ครบถ้วนและบริบูรณ์โดยไม่มีจํากัดถ้าเทียบนักให้ในโลกนี้เนี่ยนะบอกว่าผิดใจหน่อยเลิกให้แล้วนะก็ปกติถ้าอย่างอย่างนักให้ทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยนะให้แบบค่อนข้างมีเขตจํากัดเช่นจํากัดเจตนาที่จะให้หนึ่งนะสองกำจัดของ ให้ว่าคนที่ให้เนี่ยจะต้องแค่นี้สคนรับก็จํากัดแต่ของพระพุทธเจ้าไม่จํากัดผู้ที่จะได้รับสอนอมนุษย์ก็สอนสอนนาคสอนงูก็สอนสอนเดรัจฉานสอนช้างก็สอนเห็นไหมสอนลิงก็สอนสอนมนุษย์ไล่ไล่ตั้งแต่บอกว่าสอนระดับไหนหมักนายพรานเนศเพชฌฆาตนักฆ่าไล่ไปจนถึงโน่นน่ะอะไรมนุษย์พระราชามหากระสัตรนะ ยักษ์ที่โหดร้ายจนถึงเทวดาสุดยอดใจดีแบบนั้นส้อนหมดเกลี้ยงให้เขาได้ทั้งหมด น, นะไม่ลำเอียงแม้แต่นิดเดียวด้วยใจกรุณาว่าทําอย่างไรเขาจะได้รับประโยชน์และความสุขเขาจะได้พ้นจากความทุกขโดยประการใดๆพันใจอันนี้กว่าจะเต็มเนี่ยใช้เแบบวลานานมากกว่าจะเต็มเปี่ยมแบบอะไรนะกว่าจะเต็มเปี่ยมเรื่องว่าบริสุทธิ์ไม่มีอะไรแปดเพื่อนบริสุทธิ์ผุดผ่องที่แท้จริงอย่างหนึ่ง อย่างที่สองแบบให้แบบไม่มีที่สิ้นสุดบางคนเนี่ยใจบริสุทธิ์คิดจะให้แต่งโง่สาเร็จไหมไม่สําเร็จนะไอ้ปัญญานี่จึงสําคัญมาจะต้องวิคนะต้องมีความรอบรู้มองเห็นใครปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าอาดีตของเขาเนี่ยเพราะบุญบา ร, รมีมาบ้างไหมอนาคตต่อไปจะบรรลุได้ในชาตินี้หรือจะบรรลุชาติหน้าหรืออีก10ชาติอีก20ชาติหรือจะบรรลุได้อีกกี่อสงไขยข้างหน้ามองเห็นปั๊บจะต้องรู้หมดเลย รู้ทั้งอดีตของเขารู้ทั้งอนาคตของเขารู้ด้วยว่าคุณภาพความคิดของเขาเป็นอย่างไรจริตของเขาเป็นยังไงอัธยาศัยของเขาเป็นยังไงอธิมุตของเขาเป็นยังไงอนะมีศรัทธามไหมมีวิริยะไหมมีสติมีสมาธิมีปัญญาไหมและไอ้ที่เขาขาดเนี่ยเพิ่มได้อย่างไรอนะเขาจะมีคุณธรรมเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่เขาได้อย่างไรวิเคราะห์แบบก็สอนสอนโดยที่ไม่แล้วก็พระองค์เป็นคนที่เรียกว่าทําอะไรไม่มีคําว่าไร้ประโยชน์ สิ่งที่ไร้ประโยชน์แม้แต่นิดเดียวไม่มีโดยที่สุดแม้แต่กระแอมว่า ง, งั้นเถอะกระแอมนี่ยังมีประโยชน์นะไอเก็มีประโยชน์บัา ง, งั้นเถอะอาศัยที่ไอนี่แหละสอนต่อเลยว่า ง, งั้นานพระองค์เนี่ยแม้กระทั่งกระแอมยืนเดินนั่งนอนล้างหน้าล้างมือล้างเท้าชั้นอาหารทุกคำเนี่ยทุกเกี่ยวกัำนวนว่าทุกลีลากระเบียดนิ้วมีประโยชน์ต่อคนอื่นทั้งหมด นนะเพราะอะไรเพราะพระองค์ถึงที่สุดแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะคนที่จะสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องรวบรวมคุณธรรมอีกขนาดไหนเพราะฉะนั้นไม่ใช่จะจะเป็นกันง่ายๆเนี่ยนะไม่ได้ว่าจะเป็นกันง่ายที่มันยากเพราะมันมีองค์ประกอบอีกตั้งหลายอย่างและต้องเหมือนกับว่าจะต้องมีพุทธคุณอยู่ในใจอีกตั้งเยอะแยะมากมายมีคุณธรรมอย่างอื่นอีกมากเนี่ยนะพอที่จะเรียกว่า ปฏิญาณในปฏิญาณฐานะผู้เป็นโจร น, นะช่วยเหลือเกื้อกูลสรรพสัตว์ให้พ้นไปจากทุกข์ได้เพราะนั้นอย่างอย่างพระโพธิสัตว์ที่อย่างาพระเจ้าอริธาเนี่ยนะพระเจ้าอริธรรมะเนี่ยพระราชาพระองค์เนี้ยเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าทำอะไรบ้างแล้วตัวเองเนี่ยไกลแค่ไหนจึงจะได้เป็นเช่นนี้บ้าง เพราะฉะนั้นทําเช่นใดจะได้เป็นเช่นกับพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ในอนาคตต่อไปพังก็เห็นแล้วว่าแม้อยากเป็นอย่างนี้บ้างเหมือนอย่างว่าบางท่านไปเห็นเขาแตกฉานพระไตรปิฎกทรงพระตไตรปิฎกแม้เราอยากเป็นอย่างนี้บ้างเหลือเกินแต่ว่าเพิ่งจับมาเล่มแรกเนี่ยนะถามว่าต้องใช้เวลาอีกขนาดไหนกว่าจะได้เข้าถึงวันนั้นจะต้องใช้เวลาอย่างไรใช้ความภาพเปียรพยายามอุตสาหะเช่นใดจึงจะไปถึงจุดที่ตัวเองปรารถนาเพราะมันมีตัวอย่างมาตรฐานให้ ให้เห็นอยู่แล้วยิ่งเรียกว่าเข้มงวดกวดขันกับตัวเองยิ่งขึ้นในการเจริญกุศลโดยไม่ประมาทจนกว่าจะประสบความสำเร็จดังที่ที่หวังเอาไว้นะก็เลยสร้างบารมีใหญ่มันบุญเหล่าใดที่ยังไม่ทำก็ริ่งทำบุญเหล่าใดที่ทำแล้วก็เรียกว่าเพิ่มพูนถามว่าทาบุญพระพุทธเจ้าทำบุญเนี่ยนะ ในส่วนวิบาก ก, กรรมมาช่วยเพื่อสร้างมหาปริศลักษณะของพระองค์สร้างอนุพยัญชนะให้พระรูปพระองค์เนี่ยสมบูรณ์ด้วยพระสรีระอนุพยัญชนะมหาปริศลักษณะนะแล้วก็สร้างเสริมทั้งในส่วนรูปสร้างเสริมในส่วนจิตใจเนี่ยนะสร้างทั้งร่างกายและจิตใจให้ดํารงอยู่ในพุทธภาวะเนี่ยนะเมื่อ แล้วก็ต้องไปสร้างบารมีเพิ่มสร้างคุณธรรมเพิ่มจนได้เป็นพระพุทธเจ้าโปรดสงเคราะห์อนุเคราะห์เวนยศัสตร์ทั้งหลายเพราะพระราชาพระองค์นี้ก็ถือเอาพระพุทธเจ้าสิขีนั่นแหละเป็นแบบเป็นยี่ยงอย่างเป็นประธานแล้วก็ทำบุญตั้งความปรารถนาขอเป็นเช่นเช่นนี้แหละว่างันรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าสิขีก็มีอะนะมีอยู่ว่า พระสิกีพู้ธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์มีพระนครที่เกิดชื่อว่าอรุณวดีพระพุทธบิดาพระนามว่าพระเจ้าอรุณพระพุทธมารดาพระนางปะพาวดีพระองค์ทรงครองราชครองคารวาตวิสัยอยู่เจ็ดพันปีมีปราสาทชั้นเยี่ยมอยู่สามหลังสวัสกะคิริและนารีวหนะมีพระสนมกำนันสองหมพันนางอัครมเหสีพระนามว่า พระนางสัพพกามีโอรสชื่อว่าอตุละพร ะ, ผ, ะผู้เป็นบุรุษสูงสุดสุดยอดของหมู่นรชนเห็นนิมิตสี่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชเราก็เห็นทุกวันนะเนาะคิดยังไงบ้างนะเราก็เห็นอยู่ทุกวันเนี่ยนะคิดยังไงบ้างนะมีวี่แววจะเห็นอริยะสัต์บ้างไหม เนี่ย น, นะถ้าเราเห็นอริยสัจนะเราไม่ต้องเดินเส้นทางมาเพื่อความแก่เช่นนี้หรอกนี่ที่เขามาแก่มาป่วยมาตายเนี่ยก็เพราะไม่เห็นอริยสัจนั่นแหละพรันในที่เรามารักษาโรภาคภัยไข้เจ็บมันรักษาปลายเหตุมันต้องรักษาไม่ให้เกิดนั่นแหละว่าเอา้าห้ามไม่ให้เกิดใช่แล้วต้องคุมกำเนิดคุมคนอื่นหรือคุมตัวเองเกิด อานาการเจริญอริยมร่างเนี่ยคุมไม่ให้ตัวเองเกิดในวัตฏะไม่ใช่ไปคุมคนอื่นไม่ให้คนอื่นเกิดแต่หมายถึงว่าเ น, น้นคุมว่าทํำยังไงตัวเองจะได้ไม่ต้องเกิดในอนาคตเพราะฉะนั้นก็ต้องอที่สุดของความเกิดก็คือแก่แล้ความความเจเอะความแก่ความเจ็บและความตายมันเป็นผลผลิตของความเกิดอยู่แล้วพันก็เห็นนิมิต4ประการก็ออกสแสวงหาโมฆะธรรมแสวงหาธรรมเป็นที่หลุดพน้นพ้นจากทุกข์ให้พ้นจาก ความเกิดเมื่อพ้นเกิดก็พ้นแก่แล้วพ้นตายก็เลยออกพิเนสกรมขี่ช้างใช้ยานคือช้างเนี่ยออกไปบวชนะโซ่ลงเรืองก็ได้งเรืองนั่งทังง้งบินไปบวชนะมันสูงวันหนเร่มตกเร็วสำหรับพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีเนี่ยนะบเพ็ญปารบเพ็ญเพียรรวบรวมโพธิปักจยธรรมนะสเร็จภายในแปดเดือนเนี่ยนะใช้เวลาแปดเดือนรวบรวมโพธิปัจจธรรม จึงไปที่โคนต้นโพจึงได้ตรัสรู้เนี่ยนะพระมหาวีระสิขีพุทธเจ้าผู้นำเลิศแห่งโลกผู้สงบผู้เป็นนรผู้สูงสุดอันเท้ามหาพรมอาราธนาแล้วพระองค์ประกาศพระธรรมจกนะักณมิกระทายาวันก็ประกาศธรรมจกักแสดงว่าป่าอิสิ ป, ปตนะมิกระทายาวันนั้นสมัยนั้นก็ชื่อว่ามิกทายาวันก็คือที่ให้อภัยแก่พวกเนื้อ สิกขีพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่พระองค์มีพระอัคารสาวกชื่อว่าอภิภูและพระสัมภวะมีพระพุทธอุปทากชื่อว่าเคมังกระเนี่ยนะเคมังกระผู้ทําความกเกษมเคมังกระเนี่ยนะเคมา ก, ก็คือกเกษมปลอดภยัยกราแปลว่าทำผู้ทําความกเกษมปลอดภยัยเพราะว่าท่านเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกนั่นเองพระองค์มีพระอัคารสาวิกาชื่อว่า มัคคีลาและพระปทุมาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นบุนริกะหรือต้นมะม่วงพระองค์มีอักระอุปถากชายชื่อว่าเซริวัถฐและนันทะอักระอุปถายิกา อ, อุปถาผู้หญิงชื่อว่าจิตตาและสุจิตตานะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสูงเจศอกเช่นเดียวกับรูปปฏิมาทอง มีพระมหาปริศลักษณะ32ประการมีพระรสมีหนึ่งวาเล่นออกจากพระวรกายของพระองค์ไม่ว่างเว้นพระรสมีทั้งหลายเล่นออกไปทั้งทิศใหญ่ทิศน้อยสามโยต์นะพุ่งออกจากพระสรีระเนี่ยนะสามโยตพระชนมายุของพระสิกขีพุทธเจ้าผู้แสวงคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์นั้นมีพระชนมายุในคนยุคเจ็ดหมื่นปีพระองค์มีพระชนยืนถึงเพียงนั้น ใช้ถือว่ามีเวลามากที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์เพราะสามารถยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะกันดานนั้นเพราะว่าพระพุทธศาสนาถ้าดำรงอยู่ในโลกเนี่ยนะก็ดำรงอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรพรพสรัตว์ทั้งหลายใช่ไหมเพราะะนั้นพระองค์เมื่อดำรงอยู่ในโลก <c oughs> คือพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสว่าถ้าพระพุทธเจ้าพระสุคตหรือวินัยของพระสุคตเนี่ยนะ ดำรงอยู่ในโลกนานเท่าใดสิ่งนั้นแหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะการที่พระองค์ดำรงอยู่ในโลกโดยพระชนมายุยืนก็ดำรงเพื่อประโยชน์และความสุขที่นี้ใช้คําว่าพระชนมายุเนี่ยในส่วนของรูปขันห้าของพระองค์แต่ในส่วนของคําสอนก็ยังสืบทอดพระองค์มีสรีระคือธรรมนั้นคําสอนก็เป็นเช่นกับ พระพุทธเจ้าดังนั้นคำสอนของพระองค์ดำรงอยู่ในโลกนานเท่าใดคำสอนเหล่านั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกนั่นเองฉังนั้นพระองค์ก็สามารถที่อาศัยพระชนมายุในส่วนร่างกายและก็ส่วนคำสอนของพระองค์ก็ยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามกามโมฆะทิฏโขฆะพะวฆะให้ข้ามพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกข้ามพ้นจากชาติชารามรณะนั่นเอง ในอ น, นะพระองค์ทั้งพระองค์ด้วยพระสาวกของพระองค์ด้วยช่วยกันยังเมฆฝนคือทําให้ตกลงมาอ น, นะช่วยกันโปรยปลายฝน น, นะฝนคือธรรมะเนี่ยให้ตกลงมายังสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ชุ่มคือพระธรรมนั้นถ้าฟังถูกต้องอ่ถ้าผู้กล่าวกล่าวถูกต้องผู้ฟังฟังถูกต้องพระธรรมเหมือนกับน้าฝนอ น, นะน้ำฝนที่ตกลงมา ต้นไม้ใบายญาที่รับน้ำฝนก็จะชุ่มชื้นฉันใดถ้าสิ่งนั้นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าผู้ฟังฟังด้วยโยนิโมสมนศิการสิ่งที่ได้มาก็คือความชุ่มใจเนี่ยนะนิวรสงบระ ง, งับจิตใจก็เ อ, อิบอิ่มและปราบปลืม้มมันอาศัยคำสอนอันนี้แหละที่ที่เป็นคำสอนเช่นกับเมฆฝนทำให้ถึงความกเกษมทาให้ถึงความ ปลอดภัยเมื่อพระองค์และสาวกทรรมกิจเช่นกับฝนทำเช่นกับเมฆฝนในที่สุดถามว่าเมฆเนี่ยเมื่อยังฝนให้ตกลงมาน้ำฝนก็ได้เต็มที่เปี่ยมบริบูรณ์สำหรับเจริญงอกเงยแห่งต้นไม้ใบหญ้าแลว้วเมฆหายไปไหนเมฆ ก, ก็อันตรธานไปฉันใดพระองค์ด้วยพระสาวกของพระองค์ด้วยก็ดับขันปริณิพานเช่นกับ เมฆฝนที่หายไปฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อยังกิจทําประโยชน์ให้เสร็จแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นพระมหาปริศลักษณะ32ประการ น, นะ ท, ง ท, งท้งที่เพียบพร้อมไปด้วยอนุพยันชนะทั้ง80ประการนั้นก็อันตรธานไปสินป้นก็แปลว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณก็สูญสิน้นดับสิ้นเพราะสิ้นเชือ้อฉนใดสังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่าแน่แท้ ขนาดผู้ทรงคุณอันสูงสุดผู้มีพระสรีระประดุดเพชรนนะผู้มีบุญบารมีสร้างสมอบรมมาเนิ่นนานนะบุญอนพะ้แห่งบุญกุศลเหล่านั้นผลนแห่งคุณงามความดีเหล่านั้นก็ยังอันตรานแน่แท้ขนาดบุคคลผู้สูงสุดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกก็ยังดับขันทัปรินิพานจะกล่าวไปยหยถึงสัตว์นอกนั้นเล่านะจะกล่าวไปใหญถึงสัตว์นอกนั้นเล่าถามว่า บัณฑิตกับคนพาลเนี่ยนะบัณฑิตก็มีความตายเป็นที่สุดคนพาลก็มีความตายเป็นที่สุดต่างกันตรงไหนคนพาลทั้งหลายทิ้งกายนี้ก็ถือเอากายใหม่ทิ้งชาตินี้ก็ถือเอาชาติใหม่ทิ้งมนุษย์ถือเอานรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานหรือทิ้งวะทิ้งจากคันสู่คันจากคันสู่คันไม่มีจบมีสิน้นแต่สําหรับบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ก็ย่อมดับทุกนเนี่ยนะเพราะทําลายเชื้อที่เป็นเหตุให้มีทุกเก็อบอกว่าเป็นฝีก้อนสุดท้ายก็หายสนิทว่างั้นนะแต่ถ้าเป็นแบบปุตชนทั้งหลายก็โอ้ยมันเพาะขึ้นทุกเซลล์ว่างั้นนะอ่ะเพาะเป็นฝีได้ทุกอนูว่างั้นอนะ่ะตรงไหนก็เพาะขึ้นเนี่ยนะมันมีแต่ความเจ็บปวดทําท่าจะฝีอันนี้ทําท่าเหมือนจะหายอันใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยยังไม่ทันหายเลย อ, อันใหม่ก็โผล่มาอีกแล้วเพราะมันเชื้อมันล้ำลามแต่ต่อกันไป ชันใดเนี่ยนะถามว่าโรคฝีคืออะไรก็คือขันห้านั่นแหละเพราะฉะนั้นขันห้าก็ท่องทิ้งขันหนึ่งสู่ขันหนึ่งแบกภาระหนึ่งเรียก ว, ว่าทิ้งภาระหนึ่งก็แบกภาระอันหนึ่งไปเรื่อยไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นนั้นแต่ก็ผ่านบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตเนี่ยนะก็คือบัณฑิตกลุ่มชนที่ทํากิจเสร็จแล้วก็เสร็จกิจสิ้นทุกพ้นทุกแต่สําหรับปุถุชนทั้งหลายก็ ไม่ได้ทำกิจอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใครทําแทนใครกันได้ช่วยทําแทนกันนี่ไม่มีแต่ช่วยเหลือกันได้มีถามว่าถ้าช่วยกันไม่ได้จริงการสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่มีประโยชน์แต่การช่วยเหลือเกื้อกูลน่ช่วยกันได้แต่ทําแทนกันไม่ได้ใช่ไหม ช่วยกันได้ช่วยบอกช่วยกล่าวช่วยแนะช่วยนําช่วยตักช่วยเตือนช่วยอบรมช่วยสั่งช่วยสอนช่วยให้โอว่าช่วยกันได้นะช่วยให้ให้ทานรักษาศีลแต่ว่าถ้าคนนั้นไม่ให้ความร่วมมือก็ไม่มีประโยชน์อะไรพระองค์เนี่ยนะทำแทนผู้อื่นไม่ได้แต่ช่วยเหลือผู้อื่นได้พระองค์ก็ช่วยเหลือผู้อื่นตามตามอะไรตามบุญบารมีตามคุณงามความดีที่เขาสั่งสมมาเมื่อพระองค์ทํากิจเหล่านั้นพระองค์ก็ คล้อยรับไปเนี่ยนะเหมือนดวงอาทิตย์กลางวันใช่ไหมสองสว่างท ำ, ทำกิจเต็มที่แล้วดวงอาทิตย์ก็คล้อยไปเนี่ยนะคล้อยไปรับไปชันใดพระหานตะสามมาสัมพุทธเจ้าก็ชันนั้นเนี่ยนะสำหรับหลังจากที่พระพุทธเจ้าสิขีผู้เป็นมุนี ผ, ผู้ประเสริฐดับขันปริณิพานณพระวิหารอัสารามนนะพระสถูปเจดีสถูปก็คือเจดีเนี่ยนะ อันประเสริฐของพระองค์ณนะวิหานั้นสูงสามยอดสูงสามยอก็สูงเท่าดอยสูงสูงเท่าดอยหลายๆดอยนะดอยบางดอยเนี่ยมันสูงมากก็สูงเท่าภูเขาบางลูกนั่นเองทีนี้สมัยหลังมาก็บอกทํำยังไงจะให้เจดีมันสูงได้แบบนั้นบ้างง่ายมากก็ไปสร้างพระเจดีไว้บนยอดเขาไงมันก็เจดีมันก็สูงเองแนหะเหมือนั้นเอาฐานทั้งหมดเป็นองค์เจดีแล้วกันแล้วก็ตั้ง นะเพราะค่าที่เป็นจริงก็วางอิดหินปูนทรายมาเรียงกันนะก็ไปสร้างองค์บนยอดเขาเลยทัดเดียวเจดีย์ก็ใหญ่เท่ากับยอดเขาอะนะ ถ, ถือว่าฐานเจดีย์ใหญ่โตขนาดนั้นเราก็มีคนคิดแบบนี้ขึ้นมานะ่นะในมัธุรัถาวิลาสินีอัตกถาพุทธวงศ์กล่าวถึงพุทธประวัติเกี่ยวกับพระสิขีพุทธเจ้าองค์ที่ยสที่พยกร พระโพธิสัตว์ของเราว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอธิบายเพิ่มเติมว่าต่อมาภายหลังภายหลังหมดสมัยหรือว่าเมื่อหมดสมัยของพระวิปัสสีพุทธเจ้าเมื่อกับนั้นอันตรธานไปแลว้วสูญสลายมาลายสิ้นไปต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่อุบัติขึ้นอีกประมาณ59กับ นนถ้าถ้าหกเนี่ยนะหมายความว่านับหัวนับท้ายเนี่ยนะเอาเอากลับที่ไม่มีผู้ศาสนาเลยเนี่ยโล่งๆอยู่ก็59กลับเพราะฉะนั้นมีแต่แสงสว่างแห่งดวงดาวดวงเดือนและดวงจันทร์แต่ไม่มีแสงสว่างแห่งพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดวงไฟทั้งหลายดวงเดือนสว่างในตอนกลางคืนดวงดวงเดือนดวงจันทร์เนี่ยนะดวงเดือนดวงดาวดวงจันทร์เนี่ยนะส่องสว่างในยามกลางคืน ดวงอาทิตย์ส่องสว่างในกลางวันสาหรับพระพุทธเจ้าส่องสว่างรุ่งเรืองทั้งกลางคืนและกลางวันแต่ว่าก็ก็แปลว่าหลังจากนั้นก็เหลือแต่แสงสว่างแห่งแสงไฟนะแสงสว่างแห่งแสงไฟก็ทำให้ตามองเห็นรูปมองเห็นสีแต่ถ้าไม่มีแสงสว่างแห่งคําสอนอยู่มามันก็มีตาก็นั่งทำตาปริบๆเนี่ยนะ นั่ ง, งทำตาปรบๆไม่เห็นอะไรเป็นที่พ้นทุกเลยเห็นแล้วนำมาซึ่งทุกอะเห็นแล้วมันความทุกติดตามมาใครว่ามีทุกขอย่างลงแล้วอ่างนั้นไงใครว่าชิ้นไหนมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกใช่ไหมไม่น่าเชื่อมีตัดเล็บกันตรายตัดเล็บก็ยังทุกเลยไม่น่าเชื่อนะนะสวดมนต์มาตั้งเจ็ดวันแปดวันเสียหายหมด มันก็ทุกชิ้นแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เหตุอันสมควรให้ทุกันนะรอเวลาทุกแค่นั้นแหละแม่นดานาฬิกาขอมือรองเท้าเสื้อผ้าอาพร์ที่อยู่ที่อาศัยในที่สุดมันก็ผลิตออกมาเป็นน้ําตาได้หมดน่ะกลั่นออกมาเป็นน้ําตาได้ทุกเรื่องเหมือนกันเถอะสุนัขหมูม้ากาไก่ทุกอย่างมันกลั่นออกมาเป็นน้ําตาได้หมดน่ะที่นี้เพียงแต่ว่ามันเมื่อไหรมันก็มีแต่ตามองเห็นรูปแต่ไม่มองเห็นอริยสัจไม่ได้มองเห็นธรรมพ่อที่จะพ้นไปจากความทุกข์เขาเรียกว่า มีแต่แสงสว่างแห่งดวงตาแต่ไม่มีแสงสว่างแห่งปัญญาให้เห็นอริยสัตว์ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นอธิปไตยเอกราชของกิเลสมารและเทวปุตตมารก็ปราศจากเสี้ยนนา้ำพันพยา ม, านมานกิเลสมารก็เลงเต็มที่เลยนะเอาเลยเต็มที่เลยเนี่ยนะราคะเต็มที่โทสะกันเต็มที่ปล่อยผีปล่อยอะไรเต็มไปหมดเลยนะปล่อยผีปล่อยสางเต็มตัวหมดนะนั้นกิเลสที่มีแค่ไหนอย่างไรเนี่ยทะลักออกมาท่วมทน มันก็เหมือนกันบอกว่าเมาให้มันเต็มที่เลยนะก็แปลว่าปล่อยผีปล่อยสางให้มันเต็มที่เลยมีโยมคนหนึ่งก็ไปเมาโอ้ยปล่อยกายปล่อยใจเต็มที่เลยนะพอหลังจากนั้นตานะแกไม่กล้าเดินไปป้วนเปี้ยนแถวนั้นตั้งนานอ่ะอายมากนะเพราะมันระลึกได้มันไปทําอะไรไว้บ้างอ่ะตอนเมาอ่ะนะแกล้งตอนนั้นก็แกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้อย่งั้นแหละแต่จริงจํางมัได้เกือบหมดนั่นแหละนะมันก็เขบอกว่าไม่กล้าไปแถวนั้นเป็นอาทิตย์เนี่ยนะพอมึนๆก็อีกไปใหม่เนี่ยนะ ตอนนี้ก็ตายไปแล้วก็เลยเอามาันมาเล่าได้ลูกเกิดที่ไหนก็ไม่ทราบเมาหัวราณามะนี่ยมันทั้กิเลสก็เรีกยกว่าเอาเต็มที่เลยก็อยเอาใหญ่เลยนะแมวไม่อยู่หนูร่าเริงคล้ายๆกลุ่มนั้นนะนะกิเลสเต็มที่มันกิเลสตามานก็เอาเต็มที่เทพผบุตรตมานัน่งหลายก็สัดเกล็นเต็มที่เพราะอะไรเพราะไม่มีแสงสว่างคือพระพุทธเจ้ามาคอยห้ามคอยปรามคอยตักคอยเตือตนมันเรียกว่า แผนดินของกิเลสทางานเต็มที่เลยนะอย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยพอเริ่มหมดพุทธศาสนาก็กิเลสก็เฟื่องฟูขึ้นบาปอกุศลทั้งหลายก็ท่วมทะลักขึ้นมาขึ้นอกุศลธรรมทั้งหลายก็เจริญขึ้นเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยนะคนจะไม่ได้ยินกุศลกรัมบทแต่ทุกวันนี้ของหมาก็เชื่อแล้วว่าเป็นอย่างนั้นอ่าถ้าเราไปพูดคุยกันเรื่องเจตนาเว้นจากปานาติบาสนี่ผิดปกติมากนะมาคุยเรื่องนี้กันได้ยังไงมันต้องคุยเรื่องฆ่าเรื่องตกเบ็ด ยิงนกตกปลาเรื่องอะไรไล่ไปเรื่อยๆสุดแท้แต่ว่าถ้าโตขึ้นก็คุยเรื่องฆ่าคนเรื่องก็ไล่ไปเรื่อยๆมันถ้าน้มาคุยเรื่องเว้นจากการฆ่ามดฆ่าปลวกเว้นจากการฆ่าปูฆ่าหอยฆ่าปลาฆ่าสัตว์ปีฆ่าสัตว์2เท้าฆ่าสัตว์4เท้าคุยเรื่องเว้นจากการฆ่ามนุษย์เฮ้ยไม่เห็นพูดเรื่องอะไรเนี่ยไม่เห็นเข้าใจเลยว่างั้นเน่ยเขาบอกว่าต่อไปกุสเจตนาเว้นจากปานาติบาตไม่เข้าใจไม่ได้ยิน แม้แต่ได้ยินยังไม่ได้ยินจะกล่าวไปใหญ่ถึงการรักษาเจตนาเว้นจากปาณาติบาตเพียงแต่ว่าหาโอกาสได้เมื่อไร่เท่านั้นเองก็รอเวลารอโอกาสที่จะทําปาณาตีบาตเพราะแม้กระทั่งการพูดคุยว่าทําอย่างไรจะเว้นจากอาทินนาทาน<ๆ>ก็ไม่ใช่ว่าจะหาฟังได้ง่ายนะฟังเรื่องเว้นจากอาทินนาทานหาฟังยากเนี่ยนะว่าไม่ใช่ว่าจะพูดคุยกันได้ง่ายๆมันต้องพูดว่าเออเพลอเมื่อไหร่จะหาช่องหาโอกาสได้อย่างไรต่างหาก หรือแม้กระทั่งว่าพูดคุยเรื่องเว้นจากกาเมสุมิชาจารย์ฟังแล้วมันแสลงหูมันก็ต้องฟังในสิ่งที่เรียกว่าส่งเสริมกาเมสุมิฉาจาร์พูดจริงเนี่ยหมายพูดยังไงมันต้องพูดกันนะจริงคําเท็จคำสิมันจึงจะเพราะใช่ไหมถ้าพูดแต่จริงอย่างเดียวมันจะไปสนุกได้ยังไงว่าจริงพลเท็จเท็จพจริงเหมือนแกงถั่วเขาว่ากันแกงถั่วมันมีสุกมีดิบมีดิบมีสุกสลับกันคละเคล้ากันไปพูดจริงบ้างเท็จบ้างหาโจกจริงบ้างไม่จริงบ้างมาค้ำหัวเราะเพลิดเพลินนนนกัไปเะ อันนั้นก็มีความสุขมากแต่ถ้าบอกพูดความจริงไอ้นี่มันมนใครนี่มันสัตว์ประหลาดหรือเปล่าพูดแต่ความจริงเนี่ยนะถือว่าเป็นกลุ่มคนปกติแม้กระทั่งว่าคนที่ไม่ดื่มสุราก็เป็นคนผิดปกติเนี่ยนะเป็นคนที่ผิดปกติเอ๊ะทําไมคุณไม่ดื่มไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ดื่มเนี่ยนะมันก็นัวเนียกันไปหมดแล้วก็ขี้เหล้าเมายาเต็มไปหมดเลยส่งเสริมกันสนับสนุกนกันเต็มที่จอดดื่มข้างทางได้หมดแล้วนะตอนนี้มันก็มีสุราขาเต็มไปหมด แล้วก็ถ้าพูดถึงว่าพูดคําสัตว์คําจริงพูดไพเราะพูดเพื่อให้คนสมัครสมานสามัคคีกันพูดไม่เป็นต้องพูดให้มันแตกให้มันร้าวมันดานมันร้าวนิดเดียวว่าให้มันร้าวมากๆขึ้นให้มันทะลุเลยแหละบางอันให้มันขาดให้มันกระจายให้หมดเลยแหละมันมันร้าวนิดเดียวเอาค้อนไปใส่เลยนะจะได้ร้าวเร็วๆขึ้นมันคําพูดจะเป็นลักษณะนั้นแล้วคำพูดพูด3ามชั่วโมงไม่มีประโยชน์แม้แต่คําเดียวนะไม่มีประโยชน์เลยเจริญอ่านอภิชาก็มีแรงกําลัง พยาบาทก็รุนแรงบุญบาปไม่ต้องพูดถึงแล้วนั่นเขาบอกว่าแม้แต่กุศลยังไม่ได้ยินจะกล่าวไปใหญ่ถึงการเจริญกุศลแม้แต่พูดถึงการเจริญกุศลอย่างพูดกันยากเนี่ยนะแม้กระทั่งว่าทุกวันบอกว่าเอา้าสนธนาธรรมในวัดบอกว่าโอยสนธนาธรรมในวัดก็ถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างประหลาดเหมือนกันนะตอนนี้บอกในวัดนะไม่ใช่น้อยเลยไปพูดธรรมะได้ยังไงพูดแล้วมันเป็นเรื่องที่ประหลาดเคยไปวัดแห่งหนึ่งบอกว่าจะประเทศธรรมะ ที่วัดแห่งนั้นนะ่ะวัดใกล้บ้านตัวเองนี่แหละต่ก็บอกโอ้ยพูดทําไมธรรมะเขว่างั้นพูดทําไมมันช่วยงานอะไรได้บ้างธรรมะเมาโอ้ทานข้าวพระพุทธเจ้าได้ยังไงไม่ทราบอันน้นก็นึกถึงว่ามันก็เป็นอย่างนี้ว่าต่อไปเนี่ยนะแม้กระทั่งคําสอนเนี่ยสถาบันที่รองรับคําสอนก็ไม่ได้กล่าวคําสอนก็เรียนวิชาเดรัถิผลต่อไปคําสอนของพระพุทธเจ้าก็หมดไปจากโลกเมื่อหมดไปจากโลกทํำยังไง จริงๆกันไปโทษใครก็ไม่ได้แหละช่วยกันคนละไม้คนละมือสนับสนุนกันคนละนิดคนละหน่อยเนี่ก็หมดพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นพันควรที่จะสังเวชนั้นพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดไปแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ช่วครั้งชั่วคราวแม้แต่ในกลับเดียวกันก็ไม่ได้มีตลอดในท่ามกลางกับหนึ่งกับเนี่ยกับหนึ่งมันยาวนานขนาดไหนบอกว่ากับหนึ่งกับเนี่ยนะบอกว่ากระดูกกองเข้าภูเขาเหล่ากา กลับหนึ่งก็ยังไม่หมดะนะกลับนี่มันใหญ่โตขนาดนั้นทีนี้ถามว่าผู้ศาสนาอยู่กี่ชั่วอายุมนุษย์อย่างข้ของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอยู่50รุ่นร่วม5้ารุ่นแต่5 60รุ่นมนุษย์อายุแบบแหมอายุคนแค่นะอายุสั้นๆอายุนิดเดียวเองนะอายุแบบนิดเดียวนะอายุมากกวพวกถ้าเทียบกับพวกอบายเยอะกว่าจริงแต่ถ้าเทียบประยุ์สมัยอื่นๆนี่อายุน้อยมาก สมัยก่อนเขาบอกเด็กหญิงอายุร้อปีควรกักการแต่งงานน่นะตอนนี้ถ้าเจ็ดปดสิปีไปแล้วนี่ก็โอ้ยอะไรก็ไม่ทราวเลยนะไม่ใช่เด็กหญิงแล้วนะพุทธศาสนาจึงมีอยู่ชั่วครั้งช่วคราวมีแล้วก็ไม่ได้แปลว่าต้องมีตลอดไปเมื่ออะไรจะมีสักทีหนึ่งก็ก็ไม่รู้เพราะถ้าใครที่ เรียกว่าพลาดโอกาสจากคําสอนก็ถือว่าเป็นการพลาดที่ชนิดที่เราใหญ่ๆมากๆเลยนะพลาดจากอะไรพลาดจากประตูสวรรค์ก็แปลว่าเปิดประตูอาบายเอาไว้รอแล้วเนี่ยนะกีบานก็ก็สุดแท้แต่เวนแต่กรรมมันงั้นเถอะเวนก็คือทุกศีลไว้เท่าใดก็นั่นแหละเวนเท่านั้นนะนะเมื่อเวนทําไว้กรรมมันก็ซัดไปเนี่ยนะมันก็ไหลจากทุกหนึ่งสู่กองทุกหนึ่งนะนะโอ้แค่หยดน้ําตาเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยนะ เขาบอกว่าถ้าเสียทรัพนะเสียนิดเสียหน่อยเสียน้อยมากถ้าเสียน้ําตาก็เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งถ้าเสียเน้ำเลือดเสียเนื้อก็ใกล้ตัวเข้ามาในที่สุดเสียชีวิตถึงเสียชีวิตก็ไม่ได้รุนแรงอะไรแต่ว่าศูญย์เสียสุขคติพบเนี่ยในอันนี้รุนแรงก็ไปสู่อบายทุกติวินิบาตเนี่ยนะยังนึกไม่ออกเลยว่าเอ๊จะไปช่วยปลาบริเวณพุทธคยาให้ฟังอริยสัตจเนี่ยมันจะทําได้ยังไงเนี่ยนะก็นึกไม่ออก ยากเหมือนกันนะได้ยินเสียงหมาเหา่าไม่รู้จะให้มันฟังอริยสัจได้ยังไงนะนะทํายังไงให้มันรู้เรื่องบอกอยากเหมือนกันมันถ้าเราทั้งหลายหลุดไปแบบนั้นใครจะไปช่วยเราได้บ้างเพราะฉะนั้นถ้าพลาดจากคําสอนนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วแล้วตอนนี้คําสอนก็เริ่มหมดเริ่มค่อยๆสูญค่อยๆ ส, สลายไปเรื่อยๆเยมื่อคนไม่เข้าใจเนี่ยนะไม่รู้จักคุณพรนะรัตน์ไตรก็ไม่เห็นคุณค่าของคําสอนเมื่อไม่เห็นคุณค่าของคําสอนเนี่ยนะ อย่างเราไปที่ที่ต้นโพเนี่ยสูตรที่สวดเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนพระไตรปิฎกะนะปิฎก3าแต่ตอนนี้สวดอิติปิโสกันเป็นสวดพาหุงเป็นเหลือนิดเดียวเท่านั้นเองจริงๆเหมือนกับว่าพระไตรปิฎกมีมากมายเอามาอ่านกันไม่กี่หน้าเองเนี่ยนะก็เหลือกันน้อยเดียวเห็นไหมเหลือนิดเดียวจริงๆนะเหลืออยู่ไม่กี่สูตรมัน้นสิ่งนี้คือสิ่งที่น่าเห็นใจว่าอ่านหน้าหน้าสังเวชสลดใจว่าเนี่ยศาสนาในยุคนี้เป็นอย่างนี้ไปแล้ว